ก็ ค, คืออย่างนี้เพื่อนผมเลยนะเขาเป็นโรคสะเก็ดเงินนี่แหละคิดว่าจะรักษายางไงมียาสมุนไพรตัวไหนที่จะรักษามาบ้างแล้วหรือยังครับคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะเพราะว่าก็เริ่มลามไปเกือบทั้งตัวแล้วแหละ เดี๋ยวผมจะส่งอาลายให้ดูว่าจะมีทางรักษาแบบไหนนะครับคืออย่างเงี้ยการรักษาเนี่ยผมก็มีตัวในการที่จะช่วยให้ผู้ที่เป็นน่ยไปรักษาตัวเองอะนะโรคพวกเนี้ยมันเกิดจากเม็ดเลือดขาวสังเกตไหมว่าทําไมหมอรักษาไม่หายสักทีก็เพราะเม็ดเลือดขาวมันเป็นของร่างกายเราหมอจะทําอะไรก็ไม่ได้คืนไม่เข้าคลายไม่ออกก็เลยได้แค่บรรเทามันเท่า น, ทนั้นเองทีนี้โรคนี้มันเกิดจากความเครียด การดื่มสุราการพักผ่อนน้อยพวกนี้ไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวมันมากินผิวหนังคร<อ>ัแล้วทํายังไงที่จะรักษามันได้<อ>ก็ถ้าเกิดว่าเราหยุดเม็ดเลือดขาวไม่ให้มากินผิวหนังเราได้เนี่ยโรคนี้มันก็จบแล้ว ถ, ถามว่าโรคนี้หายไหม<อ>ก็เพราะโรคนี้มันเกิดมาจากเลือดถ้าเลือดเรายังมีอยู่ก็แสดงว่าโรคนี้ยังอยู่ในตัวของเรา<อ>แต่ว่าการที่มันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเครียดการพักผ่อนน้อยการดืนน่มสุราอย่างที่บอกมา อะคือปัจจัยที่ไปดึงไปลากมันออกมาให้มันให้มันมาเกิดอนะถ้าเกิดว่ามันหายแล้วหรือว่ามันดีแล้วเราไม่ไปคุกคีอยู่กับแบบเดิมชีวิตเดิมๆความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราหลีกได้นะมันก็ไม่เกิดขึ้นมาอีกจะถือว่ามันหายก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าโฟร์ไลท์ t านเตอรเฟอร์ฟเตอร์เนี่ยเป็นของอเมริกา นะครับคุณสมบัติของมันคือปรับคำว่าปรับนี้ก็คือช่วยให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทํางานได้ถูกต้องจากที่มันทํางานไม่ถูกต้องให้มันกลับมาทํางานที่ถูกต้องหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวก็คือฆ่าเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราหน้าที่ของมันมีเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะมากินผิวหนังของเราเจ้าไหลผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ถ้าซื้อที่รพก็พันแปด้อยเก้าสิบแปดบาทครับรวมค่าส่งถึงบ้านเลย กินเดือนพันแปดร้อยเก้าสิบปดบาทอ่ากินได้หนึ่งเดือนถ้าจะซื้อเป็นชุดก็สี่ขวดห้าพันแปดร้อยห้าสิบาทตกขวดละพัน0ี่ร้อยกว่าบาทพันสี่้อยกว่าเนาะอือพันสร้อยกว่าเนี่ยผมเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่าคุยกับผู้ป่วยเขาก่อนคไอ้ดีลน์ที่ที่เปิดอยู่ที่ในตัวนี้เนั่นครับเบอร์นี้แหละ ครับครััพักมาได้เบอร์นี้แหละแต่ผมผมน่ยมันรับเพื่อนไม่ได้แล้วผมมันเตินห้าพันคนแล้วมันนุมหนสมาชิกเพื่อนเยอะเลวเออลูกค้าเขาเยอะก็เลยอยู่ในเขาเนี่ยอยู่ท่องเที่ยวเลยจุผมอยู่อุบลครับอุบลเนาะครับครับคราเอายังไงเดี๋ยวผมทักไปครับผมได้ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ